สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เชียบไฟบ้านะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสมสิบแปดเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูพี่น้องครับหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมฮีบรูมีเรื่องราวของพระเยซูด้วยหรือคําตอบก็คือมีครับในขณะที่ฮีบรูนั้นนําเสนอพระเยซูเป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรงเป็นมหาปุโรหิต แต่เพียงผู้เดียวที่อยู่เหนือปุโรหิตทั้งหลายและในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำเครื่องบูชาด้วยตัวของพระองค์เองนั่นคือความหมายของพระเมสสบดกของพระเจ้าท่างครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูนะครับในพีบรูในบทที่สิบเอ็ดผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่สิบหกโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลแต่รู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถินที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากําลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาคงจะมีโอกาสกลับไปได้ แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าซึ่งจึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สําหรับเขาแล้วเพื่อนครับในข้อที่สิบเอ็ดนะครับถ้าถอยกลับไปดูในข้อที่สิบเอ็ดเราจะพบว่าข้อที่สิบเอ็ดนั้นได้พูดถึงเรื่องของนางสารา นะครับนางซารานั้นได้รับพลังที่มาจากพระเจ้าได้สัมผัสกับพทธิอำนาจของพระเจ้าตั้งทันและได้คลอดบุตรและนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประธานพันธัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตซ์ซื่อเมื่อวานนั้นผมเน้นๆคาว่าสัตซ์ซื่อนะครับมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การไว้วางใจในขณะเดียกันครับอับราฮัมนั้นได้รับพระรจากพระเจ้านะครับลูกหลานของนางซาร่าและอับราฮัม ก็กลายเป็นกลุ่มคนนะครับหรือเผ่าพันธุ์ที่มีมากดุดดวงดาวในท้องฟ้าจุดน็กทรายที่ฝั่งทะเลและก็นับไม่ได้ด้วยคำว่านับไม่ได้นั้นไม่ได้หมายความว่านับไม่ได้จริงๆนะครับก็คือเหลือขนาดนับและคนเหล่านี้บังเกิดจากพงพันธ์เผ่าพันธุ์นะครับหรือเมล็ดนะครับเมล็ดของชายคนเดียวก็คืออัปปรหัมนั่นเองผู้ที่ เป็นผู้เชื่อเป็นปัณฑชนแห่งความเชื่อเป็นพ่อหมู่ของพวกเราพี่น้องครับในข้อที่สิบสามซึ่งเป็นสาระสําคัญในเช้าวันนี้ก็คือคนเหล่านี้ครับเขาได้ตายไปในระหว่างที่ยังไม่ได้เห็นตายไปในระหว่างที่เชื่ออยู่ท่านผ์บอกว่าตายไปในขณะที่มีความเชื่อเต็มที่แต่ยังไม่ได้รับ สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่ได้แลเห็นพระสัญญาแต่ไกลคำถามก็คือว่าเขาแลเห็นได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือเขาใช้ความเชื่อที่จะเห็นครับเราอาจจะอธิบายได้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าใช้สายตาฝ่ายวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อนะครับนำมาถึงการเชื่อมั่นและเชื่อฝังและต้อนรับพระสัญญาเหล่านี้ไว้ และเขานั้นได้ยอมรับว่าตัวเองนั้นอยู่ในโลกนี้แบบเป็นคนต่างด้าวเป็นเหมือนกับคนเดินทางเป็นเหมือนคนสัญจรและคนเหล่านี้ทุกคนนะครับเสียชีวิตไปหมดและยังไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับหรือไม่ได้เห็นกษัตริย์และราชากจากของพระองค์กษัตริย์และราชากจากของพระองค์ในที่นี้ก็หมายถึงพระเยซูนะครับและก็แผ่นดินของพระเจ้าเะเยซูมาเปเยซูประกาศแผ่นดินของพระเจ้านะครับ The Kingdom of God พี่น้องครับคนเหล่านี้ได้เห็นพระสัญญาแต่ไกลนะครับและก็เชื่อมั่นและต้อนรับพระสัญญาเหล่านี้ถึงแม้ว่าไม่มีระบุชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็เ t e ็จไปเสปด้วยความเชื่อมั่นนะครับหลักการเกี่ยวกับความเชื่อก็ยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาเห็นราชจักที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ก็คือเมืองสวรรค์ ในขณะเดีวยวกัครับบาเน็จ um และพระพรแห่งสวรรค์อยู่ไกลนะครับแต่โดยความเชื่อมันอยู่ใกลครับเพราะว่าพวกเขาเชื่อคำสัตย์ของพระเจ้าพวกเขาจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นกําลังจะมาแม้ว่าเขาจะมีชีวิตยอยู่ไม่ถึงนะครับก็ตามแต่เขารู้ว่าหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะได้รับตามพระสัญญาอย่างแน่นอนนอกจากนี้พวกเขายังยอมรับว่าเขาทั้งหลายเป็นคนต่างด้าเป็นผู้สัญจรเห็นไหมครับ ความหมายตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าพวกเขานั้นไม่ได้คิดที่จะอยู่ในโลกนี้นะครับนานแต่เขาคิดถึงบ้านเมืองของเขาที่อยู่บนสวรรค์ตามพระสัญญาของพระเจ้าเพรา ะ, ะความหมายของคำว่าคนต่างด้าวต่างแดนนะครับก็คือความหมายที่เดียวกันกับคำว่าผู้สัญจรนะครับหรือผู้ย้ายถิ่นฐานหรือนักท่องเที่ยวพี่น้องครับพ่อหมูแห่งความเชื่อหรือพันธุชนแห่งความเชื่อเหล่านี้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่พวกเขาทราบว่าพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ นะครับพวกเขารู้ว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนคนต่างด้าวต่างแดนเป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้สัญจรเป็นผู้จาริกนะครับพิลกิมส์นะครับพวกเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นบ้านของเขาฉันมาถึงและฉันก็ผ่านไปเท่านั้นเองและพวกเขารู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะเหตุที่เขาเชื่อคำตรัสของพระเจ้าพี่น้องครับเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับหากว่าเราไม่มีคอนเซปต์ไม่มีแนวคิดของการเป็นผู้สัญจรผู้ต่างด้าวคนต่างด้าวต่างแดน นะครับหรือผู้ย้ายถิ่นฐานนักท่องเที่ยวเราก็จะยึดติดกับของที่อยู่ในโลกนี้ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองยึดติดกับลาบยศสันเสริญคนเหล่านี้ครับทําให้สิ่งเหล่านี้ทําให้คนกลุ่มหนึ่งได้พลาดไปในข้อสิบสี่เขาบอกว่าเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขากําลังสแสวงหาเมืองที่จะให้ได้เป็นของเขานะครับเป็นการกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนคําว่าเมืองตรงนี้นะครับ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแค่คำ p a t r i ซึ่งแปลว่าบ้านเกิดพี่น้องครับการที่เรานั้นมีความคิดว่ามีวันหนึ่งจะได้กลับบ้านนั่นหมายความว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเป็นบ้านที่แท้จริงของเรานะครับในข้อ15บอกว่าและแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมา น, นั้นเขาคงจะมีโอกาสกลับไปได้ความหมายข้อนี้ก็คือว่าหากพวกเขาต้องการจริงๆพวกเขาจะกลับไปถึงบ้านเมืองที่เขาจากมาทําได้ครับนะครับ ท้จริงแล้วอันนี้พูดถึงอับราฮัมนะครับอับราฮัมนั้นหากต้องการเดินทางกลับเมืองเอ๋อนะครับของคนแคโลเดียซึ่งอยู่ที่ปากอ่าวเปอร์เซียนะครับอับราฮัมกลับได้ครับแต่อับราฮัมไม่กลับนะเพราะว่าเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นนั่นหมายความว่าเมืองสวรรค์พี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับในโลกนี้มีจริง ก็คือดินแดนขณะอันฟารเอสไต้นะครับแต่แผ่นดินแห่งพันธัญญาที่อยู่เหนือโลกนี้คือสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระธรรมฮีบรูเราอ่านแล้วนะครับเราจะต้องเห็นนะครับอีกฉากหนึ่งบนสวรรค์ครับขณะที่อับราฮัมเขาได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพนันธสัญญาก็คือขณะอันแต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็มองนไปข้างบนครับว่าเทานั้นจะต้องเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับ เขาปรารถนาเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นนะครับเขาปรารถนาบ้านเกิดเมืองนอนในสวรรค์พวกเขารู้ว่าการเดินทางในชีวิตนี้มันแสนสั้นและปลายทางอันถาวรของเขานั้นรออยู่เบื้องหน้าเหตุฉะนั้นพ่างพีบอกว่าพระเจ้าจึงไม่สรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งให้สำหับเขาแล้วพระเจ้าทรงพอพระทัยที่พวกเขาวางใจในพระองค์พระองค์จึงกําลังจัดเตรียมที่ไว้สาหรับพวกเขา และในยอห์นบทที่สิบสี่ข้อที่สองข้อที่สามนะครับผมได้แบ่งปันให้คับพี่น้องไปแล้วว่าจะมีแมนชั่นหรือมีที่ที่หนึ่งครับนะอยู่บนสวรรค์สำหรับพวกเราทั้งหลายทุกคนและพระเยซูก็เสด็จกลับไปบนสวรรค์เพื่อที่จะจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกเราทั้งหลายทุกคนเพราะนั้นครับบทเรียนในช้าวนันนี้ก็คือทําอย่างไรครับเราถึงจะมีแนวคิดความคิดหลักคิดนะครับของคนเดินทาง ผู้สัญจรคนต่างด้าวต่างแดนของโลกนี้และเมื่อเราจับหลักตรงนี้ได้นะครับและขอให้หลักนี้จะเป็นความจริงในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับเราก็จะไม่แสวงหาลาบยศสรรเสริญเราก็จะไม่แสวงหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นะครับแต่เราจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระเจ้าจะแถมอะไรให้กับเราจะประทานอะไรให้กับเรา นะครับก็ขึ้นอยู่กับน้ำมันไทยและพรอประสงค์ของพรงที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนอาเมน